การทำบุญอุทิศให้ญาติที่นอกให้พ่อให้แม่ผัวเพื่นตายไปแล้วลวงรักไปแล้วเนี่ยต้งเข้ากันนี้ย่อมทำบุญหาการทำบุญกันโดยมากแต่ทมาทำน้ำพระน้ำวัดนี่ะอ่าคิดว่าพระคนทิ่ทรงบุญแทบบุญแทบกุศลไปไหนข่มจริงนั่นการมาทำบุญอยู่วัด น, น่ยมันการมาทำ เอาสิ่งเอาของมาท่านเอาหยูกเอายาเอาพัสตาหารสี่วงสีว้อนเครื่องไส้บุนกลางๆเน่ยนะมาถวายพระนั่นแหละที่นี่ในใจเฮานั่นคือวาที่ได้เป็นบุญเป็นกุศลส่งไปให้พ่อให้แม่ไว้ฉัน ข้อมคิดอันนั้นก็ระทืบอฤดอกันห่ดถือเม็ดนะอันหายเข้าฟืดว่าแนวสีทรงไปคนใดแต่เม่นใจเข้าละจิตใจเข้าที่มีข้อมเบิกบานมีข้อมโฮมข้อมเย็นมีข้อมปราบปุ่มยิ่งดีใจเข้าเบิกบานใจเข้าสงบโฮมเย็นนะะั่นแหะอันนั้นแหละเม่นแน่วสีทรงไปหายใจอันเข้าเหตุยังจิตเป็นแนวดีๆเห็นว่าแหละมันใจมันดี ใจมันเบิกมันบาลใจมันสบายใจมันหอมมันเย็นอันนั่นละเข้าทรงอันนั่นไปถ้าการมาทำบุญยุวัดนี่กะมันก็ได้มันก็เป็นบุญนี่แหละเป็นแนวดีเป็นสิ่งดีให้พระเจ้าเจ้าทรงให้วัดว่าอารามสามารถดำรงต่อไปได้โดยความราบรื่นศาสนาที่ยืนต่อไปอยู่ดีมันคงต่อไปขย้อนแค่ห้านี่ล่ละพระกัน เสริมพะกันส่างพะกันซอยอยู่ซอยสุกยิ่ยงสี่แหละมนันจะเจริญ ม, มะหอดชายเฮ้าชายเฮ้ากับยู่ซอยสุกซอยทรงเสริมซ อ, อยยังสี่ได้มาที่นี่เฮ้าคืดว่าเฮ้ากัเป็นผู้นึงได้ทรงไ ด, ได้สืบไปซอพระศาสนาจเจริใจเฮ้าก็เบิกบานใจเฮ้ากับอมกเ็เยน็นคล่องใสขึ้นนีงแกให้โน้มใจทรงอันนี้นะทรงท่วมใจเบิกใจบานใจบ่จบคืดบ่หยาด บ่อดเดือดบออ่อหอนยังนี่คกิดว่าโอ้ไห่พ่อไห้แม่ให้บันพบูรุษญาติย่อมญาติพี่น้องผููที่เพิ่นลวงไปแล้วนี่คนไม่เฮ็ดเครื่องาบัไดเพราห้มีค้อมสุข้อมหุ่มข้มเย็นคือไข่ดีเด้อใหใจเจ้าสบายเจีงสี่เด้อเาติถูกญาติถูกญาญปเจียงสี่นี้ยมีพี่ไหมน่ะเน่ยขันห้องฮงจักแล้วว่าเฮ็ดเัรื่งใดมันเจียงสีตรงไปใด ก็ไม่ทรงนาใจเข้าเนี่ยแะทรงควมคิดในใจเข้านี่ยแหละไปมันจึงไปได้อันนี้คัน เ, เข้าคือทางเขาเหตุยังแล้วมันเกิดเป็นควมดีใจเบิกบานใจภาคพุ่มยินดีเนาะโน้มใจไปโลดบหาใจหวามาวัดดอกอันเท่าเหตุยังที่มันดีๆเรายู่บ้านดูเพื่อนเข้านี่ยโน้มใจไปหอดมันหอดนะใจค้นเข้าเป็นสิ่งส่อัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งอยู่เด้อ แต่ละคนแต่ละคนคือทอดกันนะมันใจมันทอดยังพ่อยางแม่คือทอดลูกลูกคือทอดพ่อทอดแม่นี่แหละอ่าข้อมู้ซึกอันนั้นสาลังใจอันนั้นมันแห้งมันเถึงกันเนี่ยพันธุ์บุตรพ่อแม่เท่าญาติหน่องเท่ากูเป็นตายไปในคิดมันมีแต่จิตแต่ใจเท่านี้นะพันธจิตใจมันตรงไปมัน คือกันสุ้นกันพอดีแล้วมันมีโอกาสมันได้รับพ่วมเบิกบานถึงมาโหลดเชิญกระไดโอ้เขาไปยังเฮ็ดยังคือทอดเท่าอยู่นาะใจสบายคือเบิกกระบานกะหุงขึงด้านที่โหลดซ่างๆหลักวิธีทรงน่ะนะการเท่าข้อใจเย็นสิหรอก็บรต้องยากดอกบพต้องว่าใจมาจะวัดใจว่าดอกเฮ็ดอยู่บ้านเฮงภาวนาเฮงดีการภาวนาคิดใจเทาโฮมเท่าเย็นเท่าเป็นพ่วงซุกเบิกบานนั่นแหละโน้มใจไรรด การภาวานาใน้ัจจุบนกระไรยุ้อใก็ ไ, ดกไดรดอกเพราะตจใจมันเบิกบานแล้วังดิดขึ้นไปหอดคนแมน่แขงสันน้มใจไปแั็งสันเด้อมนันเป็นเนบุญบัดนี้พระเจ้าพระสงฆ์ควรจะ ท, ทําพิที่ศักบังสักคุณนี่ลหละไปโน้มใจคิดทอดคิดทอดคูติเท่าทอ่ทําบุญไปหา น, นี่แหละนี่คือเทนนาเด้อ คิดเห็นหนาเพื่อนโอ้เห็นมีคว่ำเบิกบานในสำลักใจคิดจังทน้อยเดมอนเจเันที่เนี่ยบุญคุ้นสนอันไนด้กระเดช ล, ละ เ, เขานำสร้างฟ้าก็ได้ถวายเป็นท่านแล้วจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาผู้บาาาจรย์มีพบในชั้นจะโลงพระพุทธศาสนาสืบไปแล้วล่ะเวทานดีแล้วนั่นให้ตรงนี้มุนีไป